มันเป็นสิ่งที่ยากสักหน่อยแต่ก็ไม่เหลือพิสัยทำไมยังว่ายากยากเพราะเป็นการทวนกระแสะของกิเลสตามธรรมดาคนเรานี่จิตใจมันไหลไปตามกระแสะของกิเลส ไม่ค่อยจะทวนกระแสของกิเลสให้สังเกตดูบนันในเมื่อผู้มีศรัทธาได้หันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเช่นนี้ม่อก็จำเป็นก็ต้องทวนกระแสของกิเลสูวยินดีในการปฏิบัติธรรมพึกตนนะ ไไม่ทวนกระแสของกิเลสแล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมก็เพื่อละกิเลสพูดอย่างง่ายๆจะเป็นเคร่งหักดก็ตามเป็นนัก บ, บวชก็ตาม <c oughs> ก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน น, นั่นนต่างแต่ว่า มันละกิเลสมันคนละชั้นกันกิเลสเครื่องเศร้าหมองของคฤหัดมันก็ได้แก่การทำบาปห้าอย่างนั้นเองเมีปานาติบาตเป็นต้น แบบนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองของนักบวชมันมันยังมีทิฏฐิดานกลัวคริ้ัตันั่นไปอีกมันเกี่ยวกับความประพฤติทางจัญยามรารยาทเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษประกอบเข้าด้วยอันธรรมดาเป็นนักบวชนี่นะ เป็นนักบวชนี่จะเป็นคนมากมากไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชแล้วต้องพยายามเป็นคนมักน้อยสันโดษออกไปเรื่อยๆคือมักน้อยหมายความว่ามักต้องการอยากจะทำกิเลสอันมีในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆจกไม่สั่งสมกิเลสให้มันมากขึ้นในใจ อันสันโดดนั่นก็หมายถึงสันโดดด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยตามมีตามได้ได้อย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้หาเองมีผู้ศรัทธาบริจาคให้อย่างไรมาเราก็พิจารณาถ้าควรบริโภคใช้สอยก็ใช้สอยไปสิ่งใดไม่ควรเราก็ไม่ใช้ไม่บริโภค อันนี้จึงเรียกว่วาสั้นโดด <c oughs> ถ้าเป็นคารวาสผู้ครองเรือนอย่างนี้มันก็คล้ายคึงกันแต่แตว่ามันหัดย่อนกว่ากันยานกว่ากันเป็นความมักน้อยอย่างนี้ของคารืหัอย่างนี้ก็มักพยายามละบาปให้มันน้อยลงไปโดยลำดับ อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของคริหัสก็เป็นคริหัสส่วนมากเมื่อไม่ตั้งใจรักษาศีลแล้วอย่างนี้มันก็ทำบาปไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรยัยเครื่องรองของเมาของเสพติดให้โทษทุกอย่างอันนี้ถ้าเป็นคริหัสถากว่าไม่ สมัธานมั่นในศีลแล้วมันก็จะทำบาปอย่างได้อย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้หรือว่าหลายอย่างก็ได้แต่ละคนละคนนะการกระทำเช่นนี้พระ菩萨สตาทรงตรัสว่ามันเป็นบาปแต่เขาว่ามักน้อยเนี่ยต้องการให้บาปเหล่านี้มันน้อยออกไปจากกายวาจาใจเรื่อยๆถ้าผู้ใดหากว่ายังละบาปเหล่า น, นี้ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ก็ภาคเพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากขันธะสันดานอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยไม่ได้หมายความว่าหาอะไรเงินทองเข้าของให้ได้แต่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องให้มากถ้ามากแล้วมันเป็นกิเลสตัณหาไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายให้ละความชั่วให้ใหมันน้อยบาวางออจากกายวาจาใจนี่ต้องเข้าใจมันถูกเขา ม, ามักน้อยนีนะสันโดษก็เหมือนกันแหละสันโดษนี่ผู้ครองเรือนนะก็เหมือนกันกับนักบวชคือว่าตนหาสเสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองได้มาเท่าไรมากเท่าไรน้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น ไม่แม้จะเห็นของคนอื่นนั้นมีมากกว่าตนก็ไม่อิจฉาหรือเสียเขาไม่คิดอยากได้ของเขามาเป็นของเราก็คิดเสียว่านั่นบุญของเขาแต่ชาติก่อนเขาได้ทำบุญมามากเขาได้ให้ทานมามากผลทานนั้นมาอำนวยให้ในปัจจุบันนี้เขาก็ถึงได้ร่ำรวยมั่งมี คิดอย่างนี้แล้วมันก็มีความยินดีบริโภคใช้สอยแต่สมบัติของตนเองที่ตนสเสวงหามาได้โดยทางชอบตนแสวงหามาได้น้อยก็เพราะว่าไม่มีบุญกุศลที่ตนได้ทํามาแต่ชาติก่อนมาหนุนส่งคือตนทําบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมันน้อยไปมันก็ สนับสนุนให้มีทรัพย์สมบัติโภคาอะไรก็แต่น้อยนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแจ้งแล้วนะคนเรานี่มีกรรมเป็นของตนเนี่ยมันเป็นความจริงอย่างนี้แหละถ้าไม่ฉะนั้นลวคนเรามันจะเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันหรอต่างคนต่างก็แสวงหาเงินทองเข้าของเหมือนกันเกิดมาในโลกนี้นะ ในบางคนก็รวยเอาท่ายอย่างมากมายในบางคนมันจนลงหไงนี่หายังไงมันก็ไม่ได้นี่อย่างนี้จะไปคิดว่าอาศัยความสามารถของบุคคลเป็นประมาณโดยไม่ต้องอิงอาศัยความดีความชอบที่เขาทํามาติชาติก่อนอย่างนี้มันไม่ถูกต้องถ้าหากว่าอาศัยความ สามารถขอขยันมันเพี้ยนในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับปุเพกตะคุณญะตาอะไรอย่างนี้ใครใครใครมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าทํางานเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทํางานคนนะ่ะบางคนที่เป็นพ่อค้าอย่างนี้นะ อ, อ๋อคนนั่นก็เป็นพ่อค้าคนนี้ก็เป็นพ่อค้าหลายๆคนก็เป็นพ่อค้าเข้าไปอย่างนี้ าบางคนก็ทํามาค้าขายไปขาดทุนยุคจักไปหมดล่มละลายไปก็มีอาบางคนแบบเกิดมีกําไรงามขึ้นเรื่อยๆไปเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะลองคิดดูสิมันทำํำไมมันตึงแตกต่างกันอย่างนั้นนี่แหละที่เป็นเครื่องชี้ใหเห็นแล้วว่าอาศัยเหตุปัจจัยในอดีตนู่นมาหนุนสง่ง มันถึงเคยร่ำรวยเจริญงอกงามขึ้นได้เป็นอย่างนั้นพาะคนเราไม่ใช่ว่าเพิ่งโผล่เกิดมาเป็นคนในชาตินี้เท่านั้ น, นที่จริงแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในวตาสงสารนี่มันข น, นานับไม่ท้วนเลยต้องพิยารณาให้เห็นเรื่องนี้ถ้าว่าใครไม่เชื่อพระปัญญาศัสรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็แน่นอนแหละ มันก็จะต้องเห็นเอาแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละเรื่องอดีตผลหลังนั้นตนมองไม่เห็น น, นี่ตนไม่มีปรีชาญาณอันประเสริฐเมื่อตอนไม่สามารถรู้เห็นด้วยตนเองแล้วก็เลยไม่เชื่อผู้อื่นเลยไม่เชื่อคําสอนของพระเจ้าเลยเข้าใจว่าคําสอนนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงไปเป็นอย่างนั้นผู้ที่เชื่อในคําสอนของพระเจ้า ผู้นั้นแหละจึงว่าเป็นผู้ที่อยู่โดยสันติสุขอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่เบียดเบียนใครคนถือมักน้อยสันโดษตามคำสอนของเจ้าเจ้านะจึงไม่ไปนเบียดเบียนใครคนที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั้นก็เพราะว่าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แหละขาดความมักน้อยสันโดษนี่นะ เมื่อตอนพลาดลงทางความชั่วลงไปแล้วอย่างนี้ก็เลยพยายามสั่งสมแต่กรรมชั่วนั้นใส่ตัวไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะถอนตัวออกจากกรรมชั่วนั้นเลยเช่นนี้ลคนที่เรียกว่าไม่มักน้อยสันโดษนะไม่ปราถนาที่จะละความชั่วมีอยู่ในกายว่าจะใจมาแต่เดิมนั้นนะให้มันน้อยเบาบางออกไปหมดไป นี่มันถึงได้ทําความชั่วจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนในโลกอันนี้นะขอให้เข้าใจถ้ามันไม่มีกิเลสอย่างว่านี้นะไม่มีกิเลสอย่างว่านี้สนับสนุนจิตใจแล้วคนเราเนไม่ทําความชั่นหรอกมันเป็นอย่างไงก็มันสะสมกิเลสอันนี้มานับชาติไม่ท่วนแล้วนี่ เกิดมาชาติใดก็ the, here, to to so, reason, ไม่ได้เคียนละมันเลยกิเลสเหล่าเนี่ยความมากมากนี่นะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นี่นะเกิดมาชาติใดก็ไม่ไม่ได้เขินโทษของมันไม่ได้ละให้มันเบาบางไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วกิเลสเหล่าเนี่ยมันก็มาตือนมาจูงใจให้เป็นคนมากมากเป็นคนไม่สันโดษยินดี ด้วยสมบัติที่ตนมีไปเห็นของผู้อื่นมากกลัวตนแล้วก็วางแผนหลอกลวงช่อโงกงขี้ปร้อนอะไรต่ออะไรเอามาเป็นของตอนไปตามนิสัยเดิมที่มันติดมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้มันจึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนติดคุกติดตารางกันอยู่เหมือนนั้นจนหัวโต ก็ไม่ใช่อะไรแล้วก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมสองอย่างนี่คือไม่บำเพ็ญตนโดยผู้มักน้อยจากกิเลสป่าประธรรมต่างๆนี่เนะี่ไม่พยายามละกิเลสป่าประธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี่แหละไม่พยายามฝึกตนเป็นคนสันโดษยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน หมายความว่าไม่ฝึกตนให้โน้มจิตใจไปอย่างว่านี้เหตุฉะนั้นแล้มันถึงได้ทําชั่วทําความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นไปเรื่อยๆคนเรานะ่ะปราศจากคุณธรรมดังกล่าวมานี่แหละผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วผู้ใดนั่นแล้วก็ให้น้อมเข้าไปพิจารณาว่าในใจของเรานี่มีหรือไม่ เราเป็นผู้ปรารถนาอยากจะละกิเลสบาปธรรมนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจหรือไม่ถ้ า, าว่ายังไม่เคยคิดก็ขอได้พากันคิดซะเคตพยายามละกิเลสป่าปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากตนมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่เช่นนั้นล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วคนเกิดมาในโลกนี้นะ เพราะว่ามันมันเกิดมามันกิเลสนี่นํามาเกิดนี่เรื่องว่ากันอย่างง่ายๆเมื่อกิเลสนํามาเกิดแล้วกิเลสมันก็เป็นใหญ่อยู่ในหัวใจนี่แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางที่จะละมันได้กิเลสนี่นะก็เราอาศัยปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระ เ, เจ้านี่แหละมันมันถึงจะละกิเลสนี่ได้ถ้าหากว่าไม่ พอใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมไม่มีทางที่จะลากกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี้ได้เลยมีแต่จะสะสมให้หนาแน่นขึ้นไปเรือ่อยๆแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในความเลื่อมใสความยินดีในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่นะท่านจึงว่าเป็นการ เอาชนะซึ่งความยินดีทั้งหลายธรรมรัตสรพรัโสโธธรรมระสังชินาติรสแห่งพระธรรมน้ยอมชนะซึ่งรสทั้งหลายนั่นยความยินดีในพระธรรมนี้ย่อมชนะซึ่งความยินดีทั้งหลาย แันพระพุทธภาสิทธเหล่านี้เนะี่ยแต่คนแม่พวกที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ไม่น้มเอาไปคิดไปกลองเลยอย่างนี้เรียนมาจำไว้เปล่าๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเส้นอย่างว่ารถพระธรรมเนี่ยชนะซึ่งรถทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ถ้า่าน้องเข้าไปคิดไปพิจารณาเอะรถพระธรรมนี่เป็นยังไงวะ ผู้ใดอยากจะรู้จักรถแทงพระธรรมก็ต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติกายบาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆแล้วก็ปฏิบัติทางจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบเมื่อทําใจสงบลงได้แล้วก็จะรู้แล้วว่า น, นี่รถแทงความสงบนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นสุขสบายอย่างไรอ่ะ นี่แหละเมื่อผูใ้ใดทาใจสงบลงได้ก็รู้ได้เลยว่าโอ้รถแห่งพระธรรมนี่เป็นรถอันประเสริฐจริงๆทําใจให้สงบให้เย็นให้สบายอสามารถกําจัดกิเลสปาประธรรมอันชั่วช้าลามกออกจา ก, กจิตใจได้อํานาจแห่งพระธรรมอํานาจแห่งศีลอํานาจแห่งสมาธินะ นันเลอำนาจแห่งปัญญาเนี่ยก็าสามารถกำจัดกิเลสป่าประามตั้งแต่อย่างยาบจนถึงอย่างกลางและอย่างละเอียดได้จริงจริงแต่สำคัญแท้ๆก็ลากิเลสอย่างงาบเนี่ยให้มันได้ก่อนเนี่ยนะเมื่อลากิเลสเนีอย่างงาบได้แล้วจนเห็นแจ้งกระจักด้วยตนเองแล้ว ว่าตนเองละกิเลสย่งางงามนี้ได้จริงๆละได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงหนึ่งตนไม่เจตนาไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่นี้ไปอย่างนี้นะไม่ปรารถนาที่จะทำลายร่างขวานชีวิตของมนุษย์แสัตว์ทั้งหลายเลยสองไม่ปรารถนาที่จะไปแย่งสิงลักชอเอาสมบัติผู้อื่นว่าเป็นของตนเลยในใจนะไม่มีอย่างนั้นนะอย่างนี้นะ สามไม่ปรารถนาที่จะไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีเลยจะมีความยินดีพอใจอยู่แต่ในสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นสีตนไม่มีความปรารถนาอยากจะไปพูดเท็จพูดหลอกลวงให้ใครเสียทรัพย์เสียศินไม่ปรารถนาที่จะไปพูดคำหยาบคายด่าแซงคนอื่นให้เจ็บกเจ็บใจ อะไรเลยอย่างนี้ถ้าไม่ปราถนาที่จะซ่องเสพของมึนเมาคือสุราเมรยัยกัญชายาผิ่นเฮโรอินต่างๆเนี่ยมันเป็นของเสพติด้โทษตนได้ละเว้นมันมาแล้วเห็นโทษของมันแล้วไม่ปราถนาจะซ่องเสพมันต่อไปอีกเลยอย่างนี้นะอันถ่าหาว่าผู้ใดมาฉันเพ่งดูจิตใจของตนเอง เห็นว่าใจของตนนี่มันตั้งเจตนาวิรัติละเว้นกำชั่วห้าอย่างนี้ได้มาแล้วอย่างนี้นะอมันก็รู้เลยอะรู้แล้วว่าตนนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนี่ก็กําจัดบาปอกุศลนั่นออกจากกายวาจาใจได้จริงๆริงนี่ก็รู้ได้อย่างนี้เลยรู้ได้ว่าพระธรรมนะ่ะมีอนุภาพสามารถกําจัด บาปรธรรมออกจากจิตใจได้จริงๆอย่างนี้นอกจากนี้แล้วเมื่อตนได้ภาวนาสมาธิเข้าไปบางทีใจมันก็ไม่สงบาบางทีมันก็สงบลงได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าบุคคลยังละกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนี้ยังไม่ได้ คือท่านที่เรียกว่านิวรณ์ห้านั้นน่ะอยังละให้เด็ดขาดลงไปไม่ได้อย่างนี้นะแล้วเราภาวนาไปทีใดเนี่ยจะให้มันสงบลงไปทุกทีเลยจะไม่ให้มีกิเลสอะไรมารบ ก, กวนจิตใจเลยอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าตอนอยังละมันไม่ขาดต้องให้เข้าใจอย่างนั้นแต่นั้นข่าวใดที่เราสู้ไม่ได้ออกก็ยอมแพ้ไปก่อนมันนี่ตั้งตั้งเข้าไหมอืม ตั้งใจไหมทำความเพียรเพ่งภาวนาเข้าไปเมื่อเราเพียรเพ่งพินิษอยู่ภายในนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปแล้วต่ที่สุดก็เอาชนะกิเลสอันนี้ได้สักวันหนึ่งแหละอย่างนี้นะเมื่อเอาชนะกิเลส ช, ชั้นกลางนี่ได้ลงไปแล้วจิตมันก็สงบลงไปรวมลงไปได้อย่างสนิทสนมเป็นอย่างนี้หนละ บริวาจิตรวมลงไปได้แล้วก็เห็นรสเห็นชาติแห่งพระธรรมว่าโอ้พระธรรมนี่มีรสมีชาติจริงมีอนุภาพจริงตั้งแต่ก่อนนี้จิตใจของข้าพเจ้านี่มันไปขูกพันอยู่กับในเรื่องที่น่ารักน่าใครน่าพอใจอย่างนี้ไม่สามารถที่จะละจะวางมันได้เลยและวางทีจิตใจมันก็ เอียงไปทางชังยังมีความเกลียดชังคนโน้นคนนี้หรือว่าไม่เฉพาะตั้งแต่บุคคลและสัตว์ดีไรฉันตัวใดที่มันแสดงกิริยาน่าเกลียดก็เกลียดมันชังมันไม่ว่าจะสัตว์ไรฉานแม้จะเครื่องใช้ไม่สอยบางอย่างถ้าหากว่ามันไม่สบอารมณ์เข้ามาแล้ว เกลียดมันชังมันบางทีก็ทกทบทำลายมันลงไปอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นี่ได้ละมันมาแล้วจิตใจข้าพเจ้าไม่มีแล้วแบบนั้นนะในขณะที่จิตมันสงบอยู่น ะ, ะปรากฏว่ามันไม่มีแบบนั้นนะนี่เป็นปนั้นแต่ก่อนนี้มีแต่ง่วงแต่เงาอ่ามีแต่ซึมเซ่อ คิดว่าจะทําความดีอะไรลงไปแล้วก็ไอความง่วงเหงานี่ยมันก็เข้ามาครอบงําเป็นเหตุให้ทําำวิภพระภวนากึ้นไม่ได้ทีนี้ผูใ้ใดมีความภาคเพียรพยายามทําใจให้สงบลงไปได้มันเกิดปีติขึ้นมาแล้วความอ่อนแอท้อแท้ใจความหดหูก่กายใจโมนั้นมันหายไปอื ร่างกายก็สดชื่นขึ้นจิตใจก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมานี่นี่แหละอนุภาพแห่งสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจแต่ก่อนเคยพุ่งซ่านเลื่อนลอยเครดไม่หยุดไม่หย่นคิดไปบางคราวก็เสียใจคิดไปบางคราวก็ดีใจสลับกันไปบางทีก็คิดไปเฉยเฉยไม่เสียใจไม่ดีใจแต่ว่ามันไม่ยอมหยุด อนี้เมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปเห็นจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็สงบลงได้ เ, เมื่อจิตสงบลงก็รู้ได้ว่าโอความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นความารําคาญมันเป็นความทุกข์ใจอย่างนี้อย่างนี้การละความฟุ้งซ่านได้แล้วมันเป็นความสุขใจอย่างนี้ มันก็เห็นรถเห็นชาติแทงสมาธิแล้วว่านี่อมันเป็นอย่างนั้นแม้ความสงสัยร่างเลก็เหมือนกันะเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็คลายความสงสัยซิว่าการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันได้ผลอะไรบ้างอย่างนี้นะอมันก็มันก็เห็นผลแล้วนี้ใจแต่ก่อนไม่เคยสงบมันสงบลงได้อย่างนี้นะก็เห็นผลแล้ว นี่เมื่อมันทําเราจเจริญกรรมฐานมาอย่างนี้แล้วใจมันสงบมันรวมลงได้มุกมุกก็หายสงสัยในข้อปฏิบัติแนบานี้ว่าเราข้อปฏิบัติที่เราทํามานี่มันถูกต้องดีแล้วเราไม่สงสัยแล้วอ่อานี่ยนี่ตกลงว่านิวรณห้านั้นดับลงไปใจมันก็สงบลงได้เป็นอย่างนี้แหละนี่แสดงถึงอนุภาพแห่งพระธรรม คำสอนของพระเจ้าที่เมื่อบุคคลตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆเนี่ยมันก็ย่อมได้เห็นผลเป็นขั้นๆตอนๆมาอย่างนี้แหละเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักละบาปอย่างหยาบนุนได้มาบันี้ก็มาละบาปอย่างกลางนี่ลงได้แต่ว่าบาปอย่างกลางนี่มันก็ละได้เป็นคราว บางทีมันก็ละมันไม่ได้สู้มันไม่ไหวอ่อย่างนี้ก็มีก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งความเพียรใหม่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนเราอาศัยความภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยละมันก็ต้องเอาชนะมันได้ไปค่อยเอาชนะมันไปเรื่อยๆนะมันอยู่ที่ความเพียรนะให้เข้าใจกันนะเรื่องบนนี้นะถ้าใครขาดความเพียรแล้ว เอาชนะกิเลสไม่ได้เลยแม้แต่ อ, อย่างหยาบก็เอาชนะไม่ได้เนอย่างนันกิเลสอย่างละเอียดหมูนี่นะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตั้งอกตั้งใจเทียนพยายามกำจัดมันถึงแม้ว่าเรายังะละมันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปทอดทุเลให้ตั้งใจไว้เสมอตั้งความหวังไว้เสมอว่า สักวันหนึ่งแล้วเราจะต้องละมันให้ได้กีเลสอย่างละเอียดก็ดีเราจะไม่ท้อถอยถ้าหากว่าเราทํความเพียนไปในชีวิตนี้มันยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นนิสัยปัจจัยติดตามไปว่าไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนั้นบุญกุศลความดีที่เราทำนี่แหละมันจะไปกระตุน้นจิตใจให้เกิดอุตสาหะวิริยะ ทำความเพียรละกิเลสมันต่อไปมันบุญกุศลที่เราทําความดีที่ทํ า, เ, าทเนี่ยไม่ละทิ้งเราหรอกความจริงนะมันจะไปเตือในใจมันจะไปมันจะไปชี้หนทางออกจากทุกข์ให้เราถึงแม้ไปเกิดในชาติต่อไปก็ดีเป็นอย่างนั้นก็ะฉะนั้นให้ตั้งความมุ่งหมายในใจลงไว้อย่างนี้อย่าไปท้อไปถอยมันแต่ว่าความมุ่งหมายนั้นเราจะ ละกิเลนีมันหมดสิ้นไปในชาตินี้แหละอย่างนี้นะเอาลงไปอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่หมดแล้วมันจะเป็นอุปริสัยปัจจัยยังใหญ่โตสนับสนุนชีวิต จ, จิตใจของตัวเองนี่ให้ได้สั่งสมกุศลคุณงามความดีในชาติต่อไปอีกหรือว่าให้ได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ คือสามารถที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจได้ <c oughs> ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้